ผลงานหนังสือของดังตรินกรรมพยากร์ตอนชนะกรรมนวนิยายที่จะทําให้คุณเข้าใจเรื่องกรรมวิบากด้วยความสนุกสนานสํานักพิมพ์นวนิยายบางกอกราคา360บาทวงเล็บปกอ่อนราคา395บาทวงเล็บปกแข็งทางนฤพานนวนิยายที่แสดงเส้นทางกรรมวิบากหลากหลายที่มุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุดสํานักพิมพ์ธรรมดา ราคา360บาทเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวที่นี่มีทั้งคำถามและคำตอบสำหรับสอบไล่เลื่อนชั้นประกันภัยจากความไม่รู้พอสำนักพิมพ์นวนิยายบางกอกราคา80บาทเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรตายแล้วไปไหนบ้างยังอยู่แล้วควรทำอะไรดีสำนักพิมพ์ DMG ราคาสองบาทวิปัสนานุบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ต้องการปฏิบัติวิปัสนาทันทีโดยแทบยังไม่ต้องวางหนังสือสำนักพิมพ์ธรรมดาราคา3าบบาทเจ็ดเดือนบรรลุธรรมรวมประสบการณ์นักภาวนาตั้งแต่ต้นจนบรรลุธรรมเป็นเรื่องราวอ่านเพลินสำนักพิมพ์ธรรมดาราคา240ิบาทมหาสติ ปัฐานสูตรรวมหลักปริยัติและปฏิบัติไว้ในเล่มเดียวสำหรับผู้ต้องการเข้าใจหลักภาวนาจริงจังสำนักพิมพ์ธรรมดาราคา280บาทหนังสือทุกเล่มหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือบาร a n าบุ๊ k p า r k สถานีรถไฟ BTS อารีถนนพหลโยธินและร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปหรือติดตามอ่านได้ทางเว็บไซต์ ww. d u นจทรีน c o m ปกหลังความรู้สึกเป็นนั่นเป็นนี่ก็คือพบย่อยพบหนึ่งที่จิตยึดไว้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไกลถึงปางก่อนปางหลังหรอกกำดีกำชั่วก่อร่างสร้างพบให้เราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแม้ไหนชาตินี้ชาติเดียวยังพอหนูชนะกิเลสได้เหนือเขาก็เท่ากับชนะใจเขาด้วย พบแห่งความเป็นเพื่อนก็ปรากฏแทนพบแห่งความเป็นใหญ่เป็นรองดังตรินเริ่มเป็นที่รู้จกักจากนวนิยายเรื่องทางนฤพานซึ่งผ่านสายตาผู้อ่านนิตยาสารบางกอกเมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้ความถนัดของเขากลายเป็นนําเสนอเรื่องแนวใหม่ที่นําคนอ่านเข้าไปผูกพันกับจินตนาการโลดผนสารซัดอารมณ์ด้วยคลื่นอักษรหลายรูปแบบ ขณะเดียวกันเหมือนสะกดใจให้เคลื่อนลงสู่ใจกลางท้องเรื่องจนรู้สึกราวกับเป็นหนึ่งในตัวละครที่ร่วมแสดงบทอยู่ด้วยหลักการสร้างเรื่องของเขายืนอยู่บนความเชื่อประการหนึ่งคือถ้าเอาความจริงมาเขียนเป็นนิยายนิยายนั้นจะเหมือนจริงในตัวผู้อ่านได้หรือสะท้อนเรื่องจริงเชกเช่นกระจกเงาและสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นความจริงยิ่งกว่าอะไรในโลกก็คือเรื่องของกรรมวิบากกรรมใดใครก่อ วิบากรอให้ผลยากดีมีจนทุกคนต้องใช้กรรม